สาอาปัตตาธิกรในอธิกรณสี่อย่างนั้นอาปัตตาธิกรเป็นไฉไหนอาบัตทั้งห้ากองชื่ออาปัตตาธิกรอาบัตทั้งเจกองชื่ออาปัตตาธิกรนี้เรียกว่าอาปัตตาธิกร